น้องบัวก็เพิ่งเสียไปอีกกองหนึ่งน้องบัวสวียสุวโชปุ่นไม่สบายครับนะอยู่โรงพยาบาลนานแล้วถ้าอยู่ก็ทรามานใจอะไรยังไรอย่างวัดเข่าต้องถูบนมาวัดสลุสารวันปุ่นอยู่ก็ไปทรามานกันหลายโลกโลกไลายแรงด้วยเลยปุ่นไปสบายและ้ะแล้วปุ่นไปหนูไปไปอาาา่านฐานหนัก พรก่อนหน้านั้นก็นอนระยองระยองขอรู้ตัวจะไปเพื่นบอกขอลุกขึ้นนั่งตอดสายออกเอาเสีงเสียงตัดสายแล้วก็เพ่นไปในผ้านั่งใจแข็งมากเลยเอาเสียงเสียงเมื่อก่อนใครเยอะยางวันนี้มีกำลังพอรู้ตัวว่าจะไปเขาบอกขอลูกสึก ข, ขนาดไม่มีแรงรู้สึกปกะคองลุกขึ้นในผ้านั่ง แล้วเ็นก็ไปทาทานั่งขอพักพอรู้ตั ว, วทำไมจะงรู้ตัวไปรอคอพันไปไป น, นั่งพระอาจารย์แต่และองค์ก็เด็กี่ร้อยแล้วแล้วเปมนสติเป็นรู้ตัวมันรู้ตัวสติสำคัญสำคัญมาก เราเราฟังเพื่อเป็นอุทาหารณ์ฟังไปก็ article, อปุปนัยทีกวน้อมก็หงุดหอื่นกัว อ, อ, อาจารย์แล้วก็มีที่เพิ่มตอนเย็นป้าสีว่าสีร้องนะโตมอนเข้าโรงบางแอดไม่กันเั้ว ท, ที่สองแล้วก็พ า, ากขากลัวเกิดโทรไปหัวหลงพ่อก่อนอื กระที่ไปพัากวปรากขความดันพุ่งขึ้นป้าก็าไปสองร้อยกว่าห้อบอกว่าป้ า, าหายใจลึลกๆหายใจลึลกๆเขาเขาไม่รู้หรือเปล่าก็แบบลมหายใจกนตั้งสติห้อเขาไม่รู้แต่ป้าเสียใจในค้นนด้นนกาจะหน้านนหนาลงบอก น้ามันพอลอยไปเมื่อยๆหลวงพ่อบอกตั้งแต่ตู่ลมหายใจแก่กําหนดหายใจพราก้ยได้ยินเสียงหมอเขาบอกโอ้ยลงแนละ้วเหลือร้อยสามสิบกว่าเห็นอันน้สองเทานะสองรอบแล้วภาษีสองรอบโอ้ยใจมันเต้นช้าลงเหลือร้อยสามสิบกว่าแล้วก็อยู่ตัวแล้วก็กโทรมาบ โอ้เจ้ารอดแล้วโอ้ชารอดแล้วส่องอแล้วพอหลวงพ่อลอยมาอืมเสร็จเศรษฐกิจยากตรงอืม อื ม, อมเหมือนกันหมดอ่ะอืมโอ้ลงพ่อคุณถ้าเราจารย์ได้ซินกันแล้วพูดถึงลมหายใจเนี่ยว่าหายใจยังไงอันนี้ทั้งไทยทั้งฝรั่งเป็นเป็นงานวิจัยฝรั่งเลยเขาศึกษาพวกนี้ือบร้อยปีแล้ว มาเรายังดังเขาเอาพวกยังไปดูใจเอาคนไปทกสอบทดลองตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าตั้งแต่อนุบาล น, น, นี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยแคนดาดาเจอที่มีตำรวจก่อนที่จะปฏิบัติหน้าคือ ย, อยางของเราต้องไวพ้พระสวดมนต์นนเขาเขานั่งสามาธิดูลงหายใจไม่เกี่ยวกับศาสนาพกเราดีขึ้นเราเด็ก เอาบาลยังไม่รู้เรืงรู้ราวจับนั่งสมาธิกแล้วก็เรียนดีขึ้นความจําดีขึ้นสมาธิดีขึ้นและเป็นงานวิจัยและงานที่ว่าของอังกฤษของอเมริกาไอศึกษาคนอะไรวิชาจิตวิทยาขเขาก็เรียนของคนขงเขาก็ม่ชีชาวภาษาสนากฤษก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีวันนั้นของ โดนลมหายใจผู้เจ้าเห็นมาสองพันกว่าปีมาแล้วแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่มีงานวิจัยรองรับอะไรพวกนี้เขาจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนี่คือฝลังมันมีการหายใจหายใจเข้าเจ้าะยิ้มเพราะเเล่าใหฟังว่าป่วเองจ้างเขาหายจากโรคหายก็เพราะว่าคืลอลงหายใจป่วเองการเป็นโรคไมเกรนยังมาะ รักษานจะไม่หายหมอที่ดีที่สุดดังที่สุดแพงที่สุดไปทางทั่วโลกไม่หายไม่หายเพราะคนดลมหายใจออืดลวมหายใจบอกลมหายใจแล้วแต่ว่าต้องหายเป็นหายใจเป็นอันมีกันทุกคนแต่เรโอ้โอคุยทางการเขไามา่ให้พูดเขาขอเจ้านะเขาไม่พูดถึงเวลากินมีคนเอาอาหารมาให้กิน เป็นคนพอพูดกัน well. so ไ, ไม่ได้อะไรก็ไบันต่อสู้กับตนเองือต่อสู้กับเขาคิดกับตัวเองนี่แหละมาจีรวายความจําเก่าๆนั้นอต่อสู้กับตัวเองเป็นทางกำหนดลมหายใจไม่ได้ม <tr> ันก <tr> <moved ness>, <needed> <tr> ็จะยุ่งละมันจะอึดอัดอยู่ไม่ได้เพราะนั้นต้องทาอะไรก็ได้อยู่กับตัวเองให้ได้ต้องดูลมหายใจปจําเป็นต้องดูลมหายใจเข้าหายใจออก แต่เขาไม่ได้คำหนพูทกโมทังโขอย่างพวกเราต่วพิธีการหลักการอันเดียวกันวนนรรณลมหายใจจะไปดึกมารชังไม่ยากจนนันวนนกวรรณก็วันนีู้ดซ้ําอีกครั้งหนึ่งเรื่องลมหายใจเพราะมันใช้ได้ทุกเยาวบทเดินก็ได้นั่งก็ได้หายใจเข้าพวกก็จะเราจะสอนดนึงะหายใจเข้าหายใจออก เป็นี้ยทาลองเรากลับกันเราใช้วิธีหายใจเข้าหายใจออกมานานแล้วนนี้เราลองหาวิธีใหม่ลองลองลองดูวิธีว่าจากที่เราหายใจเข้าหายใจออกลองหายใจออกก่อนมันทายหายใจออกหายจนสดเรลยหายใจออกแล้วแ้วก็กั้นเอาไว้นับหนึ่งแล้วารที่ยี่สิบวิก่อนก็ทายละตัวไม่ไหวยี่สิบวิก่อน สติมันก็จะอยู่กับตัวต้องการให้สติอยู่กับตัวเพราะมันไม่้นมันสติไปข้างนอกหายใจเข้าหายใจออกตายายาธรรมดาแล้วกกั้นลมหายใจไว้ทั้งยี่สิควอแล้วคอยกแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็กั้นอีกนับไปหนึ่งสองสามสี่หยใจเข้สี่ก็หายใจออกแล้วก็หายใจธรรมดาไม่งั้นมันจะรื้อหายใจธรรมดามาเขาว่าหายใจธรรมดาจะต้องต่อ แล้วการ น, นับใหม่อย่างเนี้ยอยู่กับลมหายใจเองสติก็จะจอยู่กับตัวในขณะเดีวยวกันประโยชน์ก็คือในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกหัวใจใจะทํำมันจะป้ปกติหัวใจมันจะเต้นช้าลงเลือดสุกฉีดก็จะช้าลงมันก็จะผลมีผลอยู่ต่อร่างกายสมองเพราะการเวลาหายใจออกนี่ เราสังเกตว่าหายใจออกท้องมันจะยุบคือกันหายใจเข้าท้องมันก็จะป่องนั่นคือการสูบลมหายใจกันบริหารปอดปอดมันทำงานที่คือออกซิเจนมน่ะเติมออกซิเจนของร่างกายในขณะเียกันมันก็เอาของไม่ดีออกเอาคาร์บอนออกหายใจไม่ดีเหมือนต้นไม้กลางคืนมันคายออกมันคายออกซิเจนมีกันไปการเติมออกซิเจน จึงเป็นสิ่งทีร่างกายต้องการปอดต้องการนั่นเป็นผลดีต่อร่างกายคือได้ประโยชน์ด้วยสุขภาพก็ได้ด้วยและที่สำคัญคือเวลาเราเกิดความโกรธ โ, โหมโศสส่ศใช้วิธีอะไรการร้องกันลมหายใจดูหลวง ป, ปู่เทพเคยสอนหนึ่งนี้แต่เราทุกคนก็ไม่เข้าใจบอกว่าถ้าจะอยากจะรู้ว่าเราจุดตั้งใจของเราอยู่ที่ไหนให้ร้องไห้ลมหายใจ หลวงพุทธอสอนหนึ่งขอให้กันลมหายใจเสร็จหลวงพทธสอนต้องการสอนให้ เ, าเราเข้าใจเนื่งความเป็นกลางความเป็นกลางคือใจน่ะใจ่ขอเป็นกลางถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่เข้าใจคือคือจะไม่ใช่ความเป็นกางความเป็นกลางหมายถึงว่าจริงๆแล้วถ้าใจมันเป็นอิสระแใ่มันจะสบายคำว่าอิสระก็คือมันไม่สุกมันไม่ทุกข์ คือไม่มีความสุขความทุกข์อยู่ในใจนั่นคือภาวะอิสระพอคเข้งละใจคําเดียวเนี่ยคือความอิสระเพราะนั้นเบื้องต้นคือต้องการให้เรามีสติวิ่งกรหาตัวเองกำหนดลมลมแหลกเริ่มเดิมทีหลวงพ่อจะสอนลมหายใจสามคำก็คือกหนดกหนดลมลมหยาบลมกลางลมละเอียดในีุคลมจะมันหายลมมันหมดก็หายคือมันละเอียดก็จะเหลือแต่ใจก็อันเดียวกัน หรือแต่ใจทอนี้พอใจมันสบายสบายคือสุขคะคือสุขหนึ่งแต่นี้ถ้าใจอึดอัดกันขึ้นไม่สบายคือทุกข์ค่ะ ค, ค, คือทุกข์หนึ่นงเพราะฉะนั้นสองตัวนะมันมีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตประจําวันของพวกเราแต่ว่าสติคือการเลือกเลือกได้น่ะมันให้ได้ประเด็มห น, นึ่งตรนีะที่เราต้องฝึกต้องการให้เรามีสติให้กับใจโอ้จริงๆริงใจมันมีนอิสระนะ ถ้าใจมันเข้าถึงความเป็นกลางน่ะพอใจเข้าศกเข้ามาจุยใจเขาเรียกว่าศกใจพอทุกข์ขบังใจเรียกว่าทุกข์ใจไอ้สองตัวมันไม่อยู่ด้วยกันมันไม่ถูกกันพอศขเข้ามาจุนใจทุกข์มันก็ออกพอทุกข์ขบังใจศกมันก็ออกมันก็เปลี่ยนอย่างนี้ยมันเปลี่ยนทํากับเราอย่างนี้ซ้ํำซากแต่เราไม่รู้แต่ถ้าเราฉลาด คือผู้สนเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่ยุ่งกับสุขไม่ยุ่งกับทุกข์หรือแต่ใจอย่างเดียวในสระนั่นคือคำว่าใจความเป็นกลางนั่นะคือว่ามเป็นกลางเหมือนกับเราเราไม่ไม่สนใจใครเราอยู่คนเดียวถ้าไปยุ่งกับคนมากมันก็มันไม่สุขก็ทุกข์สองเรื่องนีนงนน้ในชีวิตประจำวันของพวกเรายุ่งกับคนมากกสุขมากทุกข์มากแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนะมันก็จต่อสู้คนเดียว ต่อสู้กอะไรต่อสู้ก็สุกทุกข์ที่เราสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบต่อสู้กับอดีตกับอนาคตแต่ลืมว่าปัจจุบันให้อยู่ยังเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องการให้เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือเดียวนั้นขณะนั้นเหมือนตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้การปฏิบัติธรรมคืออยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นเมื่อจิตมันกลับไปหาอดีตกลับไปหาหมายก็ว่ามันนึกถึงที่มันล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยก็ดึงกลับมา จบไปแล้วเป็นภาพยนตเป็นหนังบรรจัยไปแล้วจบไปแล้วจะกลับมาใช้ใหม่อีกสร้างสรรอย่างนี้แหละแต่สติเราไม่ทันนนีีน่่คืออันที่สองรู้ว่าผลวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติต้องให้เกิมันไปยุ่งกับอนาคตมันมีความวิตกข้างบนว่าเออพวงนีอ้อนาคตจะเป็นยังไงซึ่งยังไม่เกิดยังไม่มาถึงเราก็ตัดกําหนดนี้ถ้าอะไรไม่ได้ก็หายใจ น, นี่แหละ หายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวกวอกั้นลมหายใจปุ๊บมันมันอยู่ไม่ได้ธรรมชาติทาให้หายใจมันอยู่ไม่ได้ดเดี๋ยวอัดเดมันก็ต้องหายใจเพราะหายใจมันสติก็วิ่งหาตัวคุณพ่อถึงบอกว่า ส, สองคำคือหนึ่งให้เรารู้ตัวคำแรกเลยรู้ตัวสัมปชัญญะคือรู้พร้อมคือคมทั้งร่างเลยสัมปชัญญะ รู้ตัวเสร็จแล้วมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาให้คุยใจนัไรเนี่ยให้คือพูดโธทรมอะไรต้องการอันนั้นเบื้องต้นคือก็หนึ่งวิธีใดก็ตามให้เรารู้ตัวกือจะติดขึ้นกลับมาหาตัวเหมือนเวลาธรรมชาติคนทักไปเวลาเราตกใจนจะติดก็จะวิ่งมาหาตัวหัวใจก็จะเต้นเร็วตามธรรมชาติหัวใจมันจะเต้นตุกตักตุกตักตุกตกเวลาตกใจเวลาใจมันก็เต้นเหมือนปกติ ให้มันปกติให้ดูปกติให้ดูธรรมดาลมหายใจธรรมดาแต่ไม่ต้องไปฝืนแต่เราก็เป็นผู้ดูเราเป็นผู้ดูจะไปร่วมแสดงกับมันเหมือนเราดูหนังเราดูละครหนังก็คือหนังละครก็คือคนที่เขาแสดงคืออาการของจิตเหมือนเราดูหนังดูละครแต่ถ้าเราไปอินกับเขาเนี่ยเราชอบพระเอกนางเอกตัวโกงตัวร้าย ตลกบกหาเขาคำ้ำเราก็ค้ำไปตามซึ่งไม่เกี่ยวกันเพราะทุกวันเป็นถ้าเราไปหลงคือหลงแต่อาการของจิตจึงมันไม่ใช่เพรานะนั้นถ้าเราเป็นผู้ดูตดูเขาได้เป็นผู้สแสดงเขาสแสดงไปบนอบาอชนะหน้าที่ของเขาหมายความว่าจิตเราปรุงมาแต่งอะไรมันก็สแสดงเป็นภาพแล้วมโนภาพหรือภาพทางใจเขาจ ะ, สะแสดงไปตามอุบาชนะที่เรื่องแล้วเรื่องอีกซ้ำแล้วซ้ําอีก กิดแลดับดาวแลเกิดเกิดแลดับไม่รู้กี่ร้อยเรื่องเราก็ดูกันซ้าำซากันะแต่เราไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสติต่างๆเี็นเรื่องเก่าทำแบบนี้เรื่องใหม่ล้วก็ยังชอบดูอันนี้ความที่เรารู้เท่าไม่ตึงตันเมันกันเด็กๆ เ, เมื่อเรารู้ทั้การก็แปลว่าเด็กๆ ก, ก็คือประสบการณ์มันน้อยการที่รู้มันน้อยมันจึงเป็นต้องการอบรมคือเราต้องมีคนสอนมีคนอบรม จิตของเราเนั่นก็เช่นเด็กเหมือนเด็กถ้าเราไม่อบรมบ่มนิสัยสั่งสอนเขาเนี่ยจิตเขาค่ยจะไม่ฉลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราอบรมอยู่ประจำทั้งอกทั้งจมประจําอยู่อย่า้จิตมันค่อยดีขึ้นฉลาดขึ้นมีความรู้เหมือนเด็กถ้าเรารการอบรมสั่งสอนมนลูกของหลานเราเน่ะถ้าปล่อยธรรมาชาตินี่ไม่ได้มันต้องบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกที่น้องแรกเขาก็ไม่รู้แต่พอโตขึ้นมาเขาจะรู้เอง อะไรปิดอะไรปุดเหมือนกันจิตของเราถ้ามันเจริญแล้วในละการอุดมณ์พัฒาแล้วก็จะรู้เองว่าอะไรที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นอกุศลอะไรที่มันเป็นกลางมันก็มีเพ่มนนะอารมณ์มันบันเทิมากไปแไปก่อนนี้เพียงแต่ว่าเราเราอยู่กับของพวกนี้ไม่ได้ไม่เข้าใจของพวกนี้ในชีวิตประจำวันโดยท้ายโมหะดูคของข้านำสามตัวที่มีสิ่ง ในชีวิอของพวกเราถ้าเป็นคาราวะญาติโยมก็จะเริ่มต้นที่โลภะโทสะโมหะอันนี้เป็สิ่งที่ครอบงำพวกเราแต่แต่เราไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดเราไม่รู้เขาไม่รู้คือไม่มีสตินั่นแหละเรื่องนี้ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราควรนะลึกเรียกว่าอนุสติระลึกนึกถึงเสมอเพื่อมาให้มันลืมคือนึกถึงพระเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ ด้วยแค่ตัวอย่างเหมือนที่เราทําทุกวันส ว, นชวดช็อตเท้าทํากัจจินนก็คือพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอยู่แล้วใครนึกถึงตัวเองคือแผ่มเมตตาอ่านึกถึงตัวเองแผ่เมตตาหันสู่ใโตัหอมอ่านนี้เป็นเป็นตัวอย่างสุตตาก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเบื้องต้นในการทําทุกครั้งการทําหมายความการปฏิบัตินะว่าจะยืนเดินหรือนั่งก็าตาม หลปู่ทังอินท่านสอนว่าอย่างนี้เป็นคําบริกรรมเป็นหนวงปู่ทังอินเราเจ้าอาวาสองค์ที่สองที่เซตุนบิท่านบอกว่าก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินคือให้จิตใต้สํานึกมันจําเป็นทางเหมือนตำรวจทหารเวลาเข้าแถวเขาจะมีคําปฏิญาณตรงข้าพเจ้าเมื่อจิตใต้สำนึกมันจะจำเมื่อสั่งซ้ายขวาเย็นทุกคนรู้หมดอะส้ายก็รู้ขวาก็รู้แต่ ต้องการให้เป็นคนที่รับคําสั่งบอกซ้ายต้องซ้ายบอกขวาต้องขวาเมืน้นเวลาเกิดสึกส้วงคามนี่ไปคนละหิดคนละทางโดนระเบิดกวางมาเนี่ยแตกไปเจอหมดเลยจะบอกว่าซ้ายนจะเป็นซ้ายอย่างเดียวขวาขวาอย่างเดียวหมอกคือหมอกคือต้องการให้รับคําสั่งทัวประจำนี่เหมือนกันทนระบุใจเองเป็นคําก่อนที่เราจะภาวนาท่านบอกว่าอย่างนี้ ข้าพเจ้าเหมือนตัวต่างข้าพเจ้าขอปฏิบัติบูชาคุณของผู้ที่เจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ขอให้ใจของข้าพเจ้าสงบระ ง, งับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญาและขวัญนั่งจิตใจส น, น, นึกมันจะเข้าใจขั้นตอนว่าเออ ที่ทำมันต้องการให้เป็นอย่างนี้นะว่าตัวประสงค์ต่งางๆอย่างนี้ชัดเจนเลยเราปฏิบัติบูชาคุณุบูชาประธานประสงค์แล้วคือเราตั้งมาสร้งงางเราเพื่อมีความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสัญญาอย่างที่เวลาเข้าใจทุกวันเราใช้สัญญาความจําได้หมายรู้แต่นี่คือปัญญาจนเกิดปัญญาแล้วมองกองสังขารอย่างนี้ยยด้วปัญญาไม่ใช่มองด้วยสัญญาทุกวันเราใช้สัญญา ใช้แค่ศรัท ธ, ธาคือความเชื่อใช้สัญญาคือความจําได้หมายถึงคือปริยัติแล้วโอยยังไงสุดท้ายเราก็ใช้สัญญาเนะนี่นะยไม่เกิน ว, ว่าดีที่สุดแล้วแต่ไปไม่ถึงปัญญาอ่ะนี่คือจริงที่เราเข้าเพะนั้นที่ท่านพูดอย่างนี้เพื่อให้จิตของเราเนี่ยเข้าใจวัตถุประสงค์ชัดเจนเอาปวาหมายสุดท้ายมันจะต้องเกิดปัญญาถ้าไม่เกิดปัญญาก็อยู่ได้ก็ได้ก็่ศรัท ธ, ธา คือความเชื่ อ, อคือทําอย่างนี้ดีนะแล้วก็ศรัทธาสัญญาคือจําจําของบาอาจารย์ทั้งหลายเลยโอ้นั้นโอ้นีอ่องนู้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดคําเทศคำสอนเดีย่ยนั่นคือสัญญาสัญญาเนี่ยยิ่งจําเยอะถ้ามันสับสนตาทําไม่ได้มันเหมือนกับเชือกพันตัวเองยิ่งจาเยอะมเมื่อเอาเชือกพันตัวเองสุดท้ายก็ไม่หลุด ดนพันธนาการด้วยสัญญาณนี่แหละด้วยสังขารคือความฟิลิสภงแต่งแค่ให้ออกเลยหมันมัดตัวเองอเพราเรารู้มากอยากมากรู้เยอะอยากมันไม่ต้องรู้เยอะอย่วรู้แค่น้นนอยก็พอดูแค่ลมหายใจเขาออก่างอย่างละเอียแล้วก็ให้มันเข้าใจให้อยู่กับตัวรู้ตัวเนี่ยจนสุดท้ายก็ลมหายใจสติแล้วก็ปัญญาเขาไม่สติอื่น เราจะายต้องเกิดปัญญาด้วยว่าโอ้ที่ใจเราถือโอนธรรมะเพราะวาสองตัวนี่แหละก่อนุยาตเรกคือตัวละคือตัวสุกตัวทุกแต่เราแต่เรารู้ไม่ทันจะทายแล้วก็อยู่แบบนี่ยอโดนสองตัวนั้นเยียบย่ำทําลายพอาะเราเข้าไปถึงความเป็นกลางมาถึงความเป็นอิสระจริงจริงแลวจิตไม่อิสระจิตเดิมมันเป็นภัสระคือกองใสภพสระแปลวันเดินสั้นออกจากรสนิยคุณมีรสศิยมแปลว่าเพราะเอมันโดนครอบงำ กิเสารนุกิเลสทั้งหลายเลยจากกาันตัวเองสร้างขึ้นมาตัวเราเนั่นแหละไปสร้างมันขึ้นมา่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเป็นเชือกพัฒนาการมาดตัวเองสุดท้ายก็คิดเรื่องเดิมพูดเรื่องเดิมทําเรื่องเดิมไม่สมามารถที่ไปไหนก็วนไปวนมานี่ก็เรียกว่าวัฏฏะที่ไปทำทำให้เรานี้ไปนไหนไม่ได้ก็เรียกว่าวัฏตดววนยืนไม่แต่เป็นจะไปชิดถึงชาติหน้าชาติโน้นอัตชาตินแล้ว ตอบใดที่เราคิดเหมือนเดิมนี่คือวตตาพูดเหมือนเดิมวัตตาทำอยูเหมือนเดิมมันนี้คือวัตตาจิตแท้จริงพอเรียนแก้ไม่ได้อเปลี่ยนแปลงความคิดคําพูดการตามของตัวเองไม่ได้นี่คือวตาตาจิตแท้จริงเพราะนั้นเราปฏิบัติเราต้องการให้เราจิตเป็นหนึ่งเองกภพตาลมเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจสรรพเสียงทั้งหมดรอบตัวรอบข้างเราจะเข้าใจชัดเจนว่าเออวัตถุปสมจิต สภาวัจจุตจริงๆมันเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเขายกขึ้นมาพิจารณาจากที่หลวปู่เขบอกมีความรู้ในกองสังขารด้วยกันอย่างมีความรู้ในกองสังขารนั่นคือขันห้านี่ยที่เรียกกองคือกองหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เข้าใจทั้งหมดว่ากองหนึ่งคืออะไรสองสามสี่คืออะไรห้าคืออะไรขันห้านี่แหละภาระเขาเป็นจากขันถากขันห้าเป็นภาระอันดั่งที่ต้องบริหารจัดการแต่คนที่อยากไปไม่เข้าใจ ตั้แต่เกิดจนตายยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเสิ่งนี้ก็ปแปลว่าไม่เข้าใจตัวเองทั้งชีวิตยไม่เข้าใจว่ามันสุดท้ายมันต้องแยกแยะกันอยู่กันไปธาตุดื่น้ำไฟลมแล้วก็ขันทั้งหมดหรือสี่คือเวธนาคนารสังขารเหมือนกันก็คือจิตนั่นแหละที่มันจะต้องไปต่อเพราะนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจจิตตรงนี้นก็ยากะสภาวะจิตเป็นยังไงที่มันสะบวยอารมณ์ต่อไปก็ต้องไปแก้สวยอารมณ์ คือจิตมือสังขารเราสังขารคือรูปร่างรูปร่งการมันแตกสลายแต่อีกสี่ตัวมันยังไม่ดับาะคือจิตมันไม่ได้ดับอ่ะพูดยังไงคือมันไม่ได้ตายจิตมันไม่ตายมันไม่เคยตายจิตมันก็ต้องเที่ยวไปเนี่ยมันก็ไปเกาะใหม่คือภาวะคือพบพบก็คือภาพอันเดียวกันความหมายอันเดียวกันจากพัฒนาตัวเดียวกันพบ ภาพอันเดียวกันแต่เพอาะเออว่าเราตายไปแล้วเราเราเราโมภาพโนคือใจหมายว่าในขณใจมันนึกอะไรขึ้นมาเนื่องจากร่างกายมันไม่มีแล้วพอเาใช้ไม่ได้หูใช้ไม่ได้นะก็เลยทีสี่ตัวมนโนคือใจมันนึกอะไรขึ้นมาก็ะจะออกมาเป็นภาพเหมือนเราฝันนั่นแหละนนในขณะที่เราฝันร่างกายเราตาทําน้าที่ไม่ได้หูรรทํารรที่ไม่ได้ตาทำหน้าที่ไม่ได้เตย จิตมันยังอยู่ใจมันยังอยู่ใจขนาดนั้นมันตึกอะไรขึ้นมาภาพมันเกี่ยวกับปรากฏเพราะฉะนั้นความฝันเกิดดับเกิดดับกระ ด, ดับไม่รู้กี่เรื่องไม่รู้กี่ราวแต่ความฝันเราไม่มีสติมันต่างกันนะกับนั่งสมาธิของคนละอ ย, ย่างนั่งสมาธิเรามีสติภาพที่เป็นมีมิติเกิดขึ้นเรา ม, มีสติรู้ว่าภาพอ ย, ยังไรแต่ถ้าเราไปติดภาพหมายว่าจิตเราไปติดในมิต น, น, นีม้มนตินนั้นนั่นคือ เราฟดิิดมีหลายอย่างมีทั้งรูปทั้งภาพทั้เสียงมีทั้งกลิ่นคาําบวันนี้คุณจีน่าจิตเป็นเรื่องที่ดีอีการเรนรู้แต่ถ้าเราไปจิตจิตเราไปค้องเกี่ยวกับเสียงร้อนเราไปติดมันเองเราไปชอบมันเองอยิงงเขาเข า, เขาไม่ได้เสี่ออไรกับเราเขาเป็นไปตามเขาเรียกว่าอาการของจิตแสดงหมืนหลวงพ่อเกิดเพื่อฟังเหมือนดูหนังดูละคร มันไม่เกี่ยอะไรกันแต่เขาก็แสดงไปตามบทบาหน้ะที่ทุกทุกเศร้าว้องตายเกิดปรจานสภาวะเพราะนั้นเราเป็นผู้ดูทีนี้ทางวันนตรเหมือนกันเหมือนหนังเหมือนละครต้องทําให้ได้ทําให้ได้มาเพราะว่าในวิตทําให้มันเกิดก็ได้ทําให้มันดับก็ได้ถึงจะได้ประโยชน์แต่ทําให้มันเกิดได้ดับไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแถมยังไม่พอจิตไปติดนิมิตอีกหมายความว่าวันนี้นั่งเลยเห็นภาพเห็นิมิต พวกนี้เออทุกวันนี้ทาไมไม่เกิดมันไม่เกิดหรอกจิตมันไปจ้องไปมองไปไปทําด้วยความอยากมันไม่เกิดความอยากเกิดเที่วรังก็เกิตันหางรปลว่าทําด้วยตันห า, างหาแต่ไม่รู้เราไม่รู้ตัวอยากให้มันเกิดอีกมันไม่เกิดเหมือนฝันเมื่อวานฝันวันนี้อยากจะฝันเอีกมันไม่ฝันมันไม่เป็นตามที่เรามันไม่เป็นตามที่เราคิดเราปรงเราแต่ง ันการภาวนาคือต้องการตัดของพวกนี้ให้เข้าใจของพวกนี้โดยความเป็นจริงตามสภาะของเราเพราะฉะนั้นภาพจะเลยก็คือภาพเต่าใจก็คือใจเอาคนละเรื่องทุวนเราแยกไม่ออ ก, เ ร, ก, ออกเราแยกไม่ออกในตัวเราไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ต่างรู้ใจก็ตามสภาว่ารูปเราก็ยังแยกไม่ออกน้ำก็ยังแยกไม่ออกเช่นสุขทุกข์เกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ว่ามันสุขนี่สุขของกายหรือสุขของใจ ทุกข์เหมือนกันทุกข์ของกายทุกงใจเราจะแก้ไม่ถูกที่เราก็ได้แต่ปวดเอิดโอ้มีความสุขจังเลยมันรู้สุขกายเลยสุขใจมันอไม่ได้เพาถ้าวันนี้มันวันนี้มันทุกข์กันเลยมันทุกข์กายเลยทุกข์ใจมันทุกข์ตรงไหนก็แก้ตรงนั้นทุกข์ที่กายก็แก้ที่กายทุกข์ที่ใจก็แก้ที่ใจเรียกว่าแก่ถูกที่ทุกวันนั้นได้ไหมอาการอย่างนี้มันเนี่ยเพะนันปฏิบัติจนิงจำเป็นอย่างดึ่งต้องให้เห็น สิเหล่านี้ตามความเป็นจริงและสุดท้ายก็คือวางตามความเป็นจริงเขาเขาอยู่เขาธรรมชาติเขาเปน็นอย่างั้นแล้วก็เราก็อยู่แบบธรรมดาอยู่แบบปกติไม่ต้องไปตึงเต้นอะไรอาวบ์ของเขานนี้คือธรรมดาเรื่มีธรรมชาติให้เขื่อนความเป็นธรรมดาของเขาเึ่งเกิดแจจับตายเหมือนกันหมดคือเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราผิดปกติไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเศร้าโศกเสียใจหรือดีอกดีใจมันไม่ใช่เรื่อง ให้ไปเรือกธรรมดาไเลือกปกติเนี่ยนักปฏิบัติต้องคิดตรงกันข้ามกับชาวบ้านชาวเมืองเขาตรงข้างกับโลกอย่างนั้นก็คิดแบบลกโลกเราก็จะอยู่กับลกโลกทั้งทั้งที่ฝ่ายทำมันก็ไม่อยู่เราเร็วโลกกระทำแต่วิธีคิดวิธีพูดวิธรรมเราใช้แบบลกโลกคิดไปโลกโลกเนี่ยต้องการให้ฝ่ายรู้จักฝ่ายฝั่งธทรมมันเร็วโลกกระทำอ่างนั้นมันไม่สมดุลกันในชีวิตเรา ก็มันหนักไปทางใดทางหนึ่งเช่นหนักไปทางโลกเยอ่โลกโลกท่านี่เกิดจนตายโดยไม่รู้จักกรรทำเขาอยู่เปนยังไงปฏิบัติเขาอยู่เขากินเขาปฏิบัติกันอย่งงงนืดีชีวิตไม่สมดุลบางเอียงก็ะเทเลยไปทางใดทางหนึ่งถ้าเรารู้จักฝ่ายธรรมบ้างฝ่ายธรรมเขาอยู่ยังไงกินยังไงในชีวิตประจำวันเพราะโลกการทำมันต้องสมดุลกันสุดท้ายก็คืออย่างลบุตรเทพท่าบอกสิ้นโลกมันต้องเหลือธรรม ไปสิ้นล็อกเสร็จแล้ว ก, ก็เคยแก่จะตายเสร็จอะแล้วทําไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเลยคือคนไม่มีทำคนมีทำกับคนรู้ทำมันคนละเรื่องอ่ะทุกวันเนี่ยคนรู้จักธรรมนยอะจับไปโซเชียลไปดูดมันนี่คือคนรู้ทำแต่คนมีทำนันน้องน้อยต่างกันเหมือนกับคนรู้จักกับวป๋าสตางคือเงิน คนรู้หมดเนะี่ยแต่คนมีสตังอ่ะมีน้อยเนาะเศรษฐีมีน้อยเนะนี่ยเราจะเลือกเอาเลือกออกรู้จักสตังหรือว่ามีสตังเสตังมันจะมีไม่ต้องทํำยังไงไม่ใช่ลอยมาการาอากาศที่มาเข้ากระเป๋าเรามันต้องลงมืปฏิบัตาาิต้องทำงามาหากินต้องทํางานมีสจังใครทาก็เหมือนกัน่ะคนที่จะมีสติก็ต้องลงมือทํางานก็คือกลมัดหวัวขน คือการงานของใจเนี่ยในกรรมฐานาเราก็ไม่ลงเลยลสติมันจะมาจากไหนแล้ะทำมันจะมาจากไหนใที่สุดท้ายกายเป็นคนรู้ทำแต่มันยังไม่ทเนี่เป็นแต่อันใด ร, รู้มากอยากมองาะยิ่งรู้ไปเดี๋ยวก็วิ่งไปหาตองนั้นวิ่งไปหาตรงนี้ไม่รู้ก็วิ่งหาอะไรเราก็เอาเราตามไม่ใช่มันไม่ดีนะดีแต่ท่านช่วยเราบร้างไหมวิ่ไปหาโองสติสติก็เอาชะตังให้เราไหม ไม่เราต้องหาตัางอย่างเราก็พึ่งตัวเองอาตังเงียอาตโนนาโต้ถ้าเราไม่เริ่มตน้ตนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะอยู่กันอย่างนี้แข็งๆแต่ถ้าเวลามีความทุกข์มาไมรู้จะอยู่กับความทุกข์ยังไงเวลาไม่ก็สุขมาก็โ ม, มหะหลงคือมันไม่ดีสักอย่างเพราะมันไม่ความเป็นกลางมีความหมาย ค, คือเปรขะคือวางไม่ได้คือวางสุขกัทุกข์ไม่ได้คนที่จะไปไกลโดยเพราะคือสวรรค์นิพพานต้องวาง แเราผู้จ้างเราชักเกีนึ่งสุขทุกคือบนบาปทันใช้ถ้ว่าทามเนี่ยเขาใช้ว่าดีลอยบาปถึงจะไปสวรรค์ได้ครับว่าพผู้จารย์ใช้ว่าผู้มีบุญและบาปอันลอยแล้วมีบุญและบาปอันลอยแล้วคือเอาคำพรางแล้วพวก็ออันนั้นคือคุณจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่คือบุญก็ไม่ติดบาปก็ไม่ติดสุดท้ายที่ทําทํามา น, นไม่ติดบุญไม่ติดบาปคือจริงเพราะฉะนั้น สองคำคือโลกกับทำชัดเจนวัตถุประสงค์คือโลกนี่เขาทําทุกอย่างเพื่อเอาจะเรียกว่าได้ที่การงานต้งมาหากินอาชีพค้าขายแะไรก็แล้วแต่ทำแล้วต้องเราทําไม่ได้เขาไม่ทําจะเรียกว่าเงินเดือนจะเรียกว่ากําไรจะเรียกอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราเรียกว่าทําเพื่อเอาอ น, นี่คือโลกนแต่ทำโลกก็ต้องทำ เราทำเพื่อทิ้งเพื่อไม่เอานะสุดท้ายจรเต็มที่ละเราไม่ทำเพื่อเอาเนะีเข้าใจผิดนะถ้าทำเพื่อเอานะมันคือโลกนะอารมณ์ของโลกคืออารมณ์ของโลกผสมอยู่อารมณ์มหังย์ผสมอยู่ว่าทำเออมันจะต้องได้ทั้งอันนี้ไม่ใช่มันต้องไล่มันต้องทิ้งอันนี้คือฝ่ายทำทีนี้เราละอะไรได้บ้างตอนนี้ เราทิ้งอะไรได้บ้างที่เรามีอยู่อันนี้ต้องกลับไปคิดอะไรควรจะทิ้งอะไรควรจะละ้ามันต้องเริ่มและไม่งั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้ามิถึงเรือความคิดอย่างนี้ยังไม่มีอยู่ก็คือไม่เข้าใจเรื่องโลกเรื่องธรรรู้ว่าโลกคืออันนี้ทับทมแต่วัตถุประสงค์จริงคืออะไร แตถ้าเขาเจอเป้าหมายชัดเจนว่าโอ้โลกในวันหนึ่งก็าที่เราทำเราคิ ด, คดว่าเราได้ได้ได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมันไม่ได้อะไรนะสิ่งที่เร้อยู่ว่ามันไม่ใช่ของเราเรต่อไปเป็นของใครก็ไม่รู้แต่ไฟทเนี้มันได้ได้เป็นของเราคือได้อยู่อยู่จิตอยู่ที่จิตของเราไปเราไอ้ที่บอกว่าอย่างน้อยที่สุดือโลกการทางมันต้องสมดุลเป็นอย่างน้อยนะ นี่เรามาชั่งน้ำหนักโรดทั้งที่ผ่านมานถ้ายัางไม่พอถ้ายัางไม่สมดุลต้องรีบต้องเร่งดงเดยกันตรงไหนต้องลักตรวไหนต้องชิ้ตัวไหนตัว้ต้องพอพอได้แล้วอายุขนาดนี้ตัวเลขขนาดนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้เหลือจากนี้ไปจะใช้เวลาตอนนี้คุ้มค่าให้มีประโยชน์เพื่อประโยชน์ต่อภายหน้า ฮาไดงมากอยูต้อนสีมังดาย น, น, น, นี่คือของใจจติตต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเราคิดอย่างนี้ไม่ได้เรื่องมิจฉาทิฏฐิมนจฉาทิฏฐิมันแรงนะโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวมันกลายเป็นสมาทิฏิมิจฉาทิฏโดยที่ไม่รู้ตัวมิจฉาทิฏฐิไม่ได้แปลว่าการดูถูกผู้ที่ยากประทานประสงค์อื่นๆมันเป็นสัมมาทิฏฐิมันไม่ใช่อันนี้คือสมาทิฏฐิอย่างหนึ่งที่เราก็ดูตัวงานสัมหบาลพวกเราทุกคน ทีเป็นนักฝึกนั้งทำนักปฏิบัติง่ายทุกจุดคือลมหายใจที่วิญญ า, าเราใช้อันเนี้ยพยายามทําลองฝึกดูว่าที่หลวงพ่อบอกว่าลมหายใจอาชัยออกแล้วกั้นงลมงสติเป็นก า, าตัวเองอาหายแกเข้าใจากอากาศดูนะแล้วถ้าถ้าเรามันไม่เข้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเข้าแล้วไม่ออกอย่าง้ก็มันจะรู้เลยนี่คือคำวามวาขาตายอตายใใตัวนี้นะ อาจนมันทนไม่ได้มันจะเออมันลงาอายจะมันก็เลยเออเราต่อแต่ยังมีชีวิตอยู่ชื่อความเป็นไปอยู่ะเมื่อหมดชีวิตเมื่อไหร่ลงมหายใจเมื่อไหร่นี่อยู่าง้ความหมายเลยอะไรนั้นก็เปล่าเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติถ้าเอาไปใช่จริงจริงมันเป็นประโยชน์จริงจริงจะเกิดปัญญาจริงจรงธรรมะนะครปฏิบัติที่พูดมาทั้งหมด มันไม่ใช่เรื่องลึกๆซับซ้อนยุงย่งยากอะไรเลยขอที่มีอยู่วัตถุอุปกรณ์วัตถุดิบที่เราไปอยู่เนี่ยมันของงยที่เราทานเคยต้องเสียเงินสักบาทเลยให้บุญเยอะที่สุดมากที่สุดไม่ต้องไปลงทุนบาทสักนึ่งไมต้องใช้เลยเป็นการลงทุนน้อยแต่ประโยชน์มากที่สุดแต่ทําบุญด้วยวัตถุไ ท, ท, ทยทาน่ะ าอาจจะทำบุญได้บ้างแต่ประโยชน์มันก็ยังน้อยในก็ดือเป็นการส่เคราะห์อนุเคราะห์เป็นการแสดงความมีความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพือแฝงแบ่งปันไม่เคยทานถ้าไม่มการแบ่งแบ่งปันเอื้อเฟื้อเพอแฝงโลกเราก็อยู่ไม่ได้ก็คือแบบนั้นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องการทำเรื่องกางเงินนเอาของที่มีอยู่วัตถุดิบที่มีอยู่ มันไม่ใช่เรื่องยสสอุทศาสตร์เขาใช้ประจําอยูย่ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันมากประสุชน์เมื่อรารสุด ท, ทายมาถึงก่อนที่หมดลมหายใจอย่างที่เราตัวอย่างให้ฟังลูกปูไปท่านรู้ตัวเมื่อไหอไร่ก็ลุกขึ้นมานั่งเคยกำหนดลมหายใจคือตั้งสติให้ติอยู่กับตัว น, นี้จะไปดีนะ น, นี่คือจิตสุดท้าย น, นี่คือจิตสุดท้ายแต่ถ้าจิตสุดท้ายกวนกระบายเว่ น, นาครงงัวงมงา จนทุรนทุรายนึกอะไรก็ไม่ออกนึกลูกนึกหลานเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นห่วงสารพัดแต่อุอันตรายป่าจิตในขณะนั้นเป็นนึกถึงของสัตว์เลี้ยงอะไรอาวจิตประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงในโออันตรายอะไรแบนเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งเพราะนั้นนักฝึกงานต้องไม่ประมาทในสิ่งเหล่านี้เอาเนี่ยเป็นแนวนึกแนวปฏิบัติจึงเกิดปัญญาเรล่ามีความรอบรู้ในกองสนาคารด้วยปัญญาเมื่อไรเมื่อนั้นละการปฏิบัติของเราก็จะได้ผล ขออนุโมทนาขรดีพวกเราทุกคนที่ตั้งใจตั้งใจมาตั้งใจฟังตัญงใจปฏิบัติก็ทําต่อไปเรืเ่อยๆขอที่ไม่มีอยู่ด้วยแหละเราจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็ดูให้มีสติปาหมายของสติจนเกิดปัญญาเราตัวเราข้างเราท่านเกิดปัญญาไม่ได้เพื่อให้เกิดทําห้ได้ก็ท่าน ม, มีทำให้ได้ไมันแค่รู้ทําอย่างเดียวต้องมีทําทํามันเกิดขึ้นในใจ ทำให้เกิดขึ้นอย่างไรทำอะแรจะเป็นเครื่องประวัติรักษาโดยรองทำแลย่อมรักษาผู้ปฏิบัตทิท้งทางผู้ปฏิบัตททิทำก็คอยมากทีเวลาทำทำก็ไม่รักษาเราจะธรรมจารีสุ ข, ขังสุติผู้พุทธธรรมย่อมอยู่เป็นสุขคอยมีทลายความสุขกเจริญอยู่ทั้งโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็จเจริญ แ, แบบทรรมว่าโดยทลายไดไม้มีความสุขกับเจริญ ทางทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเพิน